ที่ประเทศมาเลเซียนะมีเด็กชายคนนึงอายุสิวันหนึงก็ได้ข่าวว่าเพื่อนเนี่ยต้องออกจากชั้นเรียนเพราะว่าไม่มีเงินค่าเล่าเรียนเด็กคนนี้ชื่อยูซุปนะแกะรู้สึกร้อนใจอยากช่วยเพื่อนก็เลยไปบอกพ่อนะเนี่ยว่าเพื่อนเนี่ยเขา ไม่มีเงินเรียนหนังสือให้พ่อช่วยหน่อยพ่อก็รับปากนะแต่ก็ลืมไปเลยผ่านไปหลายวันพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรเลยอยู่ซุ้มเนี่ยซึ่งสงสารเพื่อนมากนะทำยังไงอะ่ะก็เลยเริ่มเก็บค่าขนมนะแทนที่จะ เอาเงินที่พ่อแม่นี่ไปซื้อขนมกินนะตามภาษาเด็กเก็บเก็บพร้อมรอมริบวันละนิดวัละหน่อยมีบางช่วงนี่ตายายก็ให้เงินมาแทนที่โยซุปจะเอาไปซื้อของเล่นนะก็เก็บนะเป็นเดือนนะสะสมมาได้ห5 0ยห้าสบบาทนะคิดเป็นเงินไทยแต่มันยังไม่พอนะ เพราะว่าค่าเราเรียนของเพื่อนเนี่ยมันก็ประมาณแปดร้อยบาทนะก็เลยออกปากนะขอเงินจากพ่อนะอีกสักร้อยห้าสิบนะพ่อเลยนึกขึ้นได้เลยโอ้ยรับปากลูกไว้แล้วจะลืมนะก็เลยควักเงินให้ลูกนะเอาไปช่วยเพื่อนลูกก็ดีใจนะ เพื่อนก็ดีใจขอบอกขอบใจอยู่ซุบใหญ่เลยส่วนตัวพ่อนี่ก็ภูมิใจนะภูมิใจว่าลูกชายนี่เป็นคนมีน้ำใจนะยอมนึกถึงยอมอดค่าขนมนะเพื่อช่วยเพื่อนแกก็ภูมิใจในตัวลูกคนนี้มากนะนเด็กเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่มีน้ำใจนะ มันเป็นจะเรียกว่าคุณธรรมที่ติดตัวมาแต่กําเนิดก็ว่าได้ที่ผู้อย่างนี้เพราะว่าเนี่ยมีเด็กหลายคนเลยเวลาลุ้อเพื่อนเดือดร้อนเนี่ยนะพร้อมจะช่วยแม้ว่าตัวเองเนี่ยอาจจะต้องเดือดร้อนนะไปด้วยนะอย่างเช่นเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมีเด็กชายคนหนึ่งี่เด็กไทยนะชื่อแม็กนะ เขวบวันนึงก็มาขอเงินแม่แม่ขอเงินสัก1ิบบาทหนะ่อยแม่ก็ถามว่าเอาไปทำอะไรจะไปซื้อขนมกินหรือเปล่านะวันนี้แม่ก็เพิ่งให้ไปเนี่ยแล้วทำไมมาขออีกนะทีแรกแม่ก็ทำท่าจะไม่ให้นะแม่ก็เลยอธิบายว่าเนี่ย จอาเงินไปให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยทำเงินหายอ้าวเพื่อนทำเงินหายเพื่อนต้องรับผิดชอบสินะไม่ใช่ว่าหนูติดเงินเพื่อนนะถ้าหนูติดเงินเพื่อนเนี่ยก็ก็ควรจะเอาเงินเนี่ยไปคืนเพื่อนแต่นี่เพื่อนก็ทำเงินหายเขาต้องรับผิดชอบแต่แม่ก็ยังยืนกรายว่าเนี่ย อยากจะเอาเงินไปช่วยเพื่อนพอแม่ขาดคันมากๆก็อธิบายว่าเนี่ยเพื่อนเนี่ยมีพ่อเนี่ยดุเลยพ่อเป็นพานโรงนะก็ฐานะคงไม่ค่อยดีถ้ารู้ว่าลูกทำเงินหายนี่พ่อคงจะโกรธนะก็คงจะตีลูกนะแมงนี่รู้รู้กิจศัพ์ของพ่อเพื่อนสงสารเพื่อนก็เลยอยากช่วยเพื่อนนะเอา เอาเงินจากแม่นี่ไปให้เพื่อนแต่พอแม่ไม่ยอมให้นะแม็กก็บอกงั้นขอเป็นค่าขนมของแม็กก็แล้วกันพรุ่งนี้เนี่ยแม่ไม่ต้องให้แม็กนะ10บาทนะแม็กขอวันนี้เลยนะขอลวงหน้านะเอาไปให้เพื่อนแม่นี่ได้ฟังนะคำอธิบาย แล้วก็การดืนกลายของแมกนี่ก็ร้สึกซาซึ้งนะว่าแม้ว่าแมกนี่เป็นคนมีน้ำใจทัา ง, งที่แม่นี่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะแต่ว่าแมกนี่ก็พร้อมที่จะสละค่าขนมของตัวเนี่ยเพื่อไปช่วยเพื่อนเด็ยอยู่แค่เจ็ดขวบเองนะแล้วก็ที่จริงก็ไม่รู้นะว่าแม่เนี่ยสอนแมกเรื่อง ความมีน้ำใจหรือเปล่าแต่ว่าในกรณีเนี้ยนะแม่นี้ไม่ค่อยเต็มใจอยากจะช่วยเท่าไหร่ก็ยังอยายังบอกให้แม็กนี่ไปไม่ต้องช่วยเพื่อหรอกนะให้เพื่อนก็รับผิดชอบตัวเองนะแต่แม็กไม่ยอมนะาการที่แม็กเนี่ยมีน้ำใจเนี่ยนะมันคงไม่ใช่เพราะว่าการสั่งสอนของแม่อย่างเดียว แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขามีอยู่แล้วนะในตัวเขานะอารมาเชื่อว่าเนี่ยเด็กทุกคนเนี่ยนะตั้งแต่เกิดมาเนี่เขาจะมีสิ่งนี้แหละเพราะว่ามันก็มีตัวอย่างมากมายนะเด็กทารกเนี่ยอายุไม่กี่เดือนเลยถ้าได้ยินเสียงร้องของเพื่อนนี่ก็จะมีความไม่สบายใจขึ้นมา เขาจะสดงอาการนะอึดอัดนะไม่ใช่อึดอัดเสียงร้องของเพื่อนนะแล้วก็อยากถอยหนีนะแต่ว่าอยากจะไปช่วยนะเพราะว่าถ้าคลานได้ก็คลานไปหาก็ไม่รู้จะช่วยเพื่อนอยังไงนะแต่ว่าคลานก็ไปหาเนี่ยอาจจะไปเป็นเพื่อนก็ได้แล้จะเด็กถ้พอรู้ความหน่อยนะถ้าเขามีอะไรอยู่ใกล้ตัวนะที่เขาชอบนี่เขาก็จะยื่นให้ เป็นขนมเป็นตุ๊กตาเนี่ยอันนี้คือเด็กที่ประเภทสักขวบกว่านะพอโตขึ้นบาหน่อยก็จะรู้ว่าสิ่งที่ควรจะยื่นให้กับเพื่อนเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองชอบนะแต่เป็นสิ่งที่เพื่อนชอบนะเริ่มรู้จักพิจารณาใคร่ควรวแล้วเนี่ยแต่ก่อนตอนนี้ไม่รู้ความนี่ว่าให้สิ่งที่ตัวเองชอบเพราะคิดว่าเพื่อนจะชอบด้วยแต่ตอนหลังเนี่ยก็จะรู้ว่าเนี่ย สิ่งที่เอชอบกับสิ่งที่เพื่อนชอบนี่ไม่เหมือนกันนะรัะนั้นก็จะเลือกหาของที่เพื่อนชอบไปให้ตุ๊กตาที่เพื่อนชอบขนมหวานที่เพื่อนชอบนะนะอันนี้มันคือสิ่งที่เด็กทารกได้แสดงนะตั้งแต่เล็กเลยก็ทำให้เชื่อได้ว่าเนี่ยเด็กเนี่ยเขามีน้ําใจมาตั้งแต่จะเรียกว่าแรกเกิดหรือรูปความเลยก็ว่าได้ ก็นี่สิ่งที่พ่อแม่คุณจะทำเนี่ยจริงๆไม่ต้องทำอะไรมากนะก็แคส่ส่งเสริมให้ความมีน้ำใจเนี่ยของเด็กนี่ก็พัฒนาขึ้นไม่ต้องไปสอนให้เด็กมีน้ำใจเด็กเขาก็มีเองแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือพ่อแม่นี่ไปขัดขวางการมีน้ำใจของลูกนะอาจจะสอนให้เด็กเนี่ยคิดใน่ใตัวเอง เพื่อนเดือดร้อนก็ช่างเขาเราจะไปเดือดร้อนแทนเขาเราเอยางเงินไปช่วยเขาเนี่ยถ้าสอนแบบนี้เนี่ยความมีน้ำใจของเด็กก็จะค่อยๆหายไปหายไปสุดท้ายกลายเป็นเด็กที่เห็นแก่ตัวแต่ถึงแม้ว่าไม่สอนเด็กให้มีน้ำใจนะเพียงแค่ไม่สอนให้เขาเห็นแก่ตัวเนี่ย หรือคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยโตขึ้นเขาก็จะมีน้ำใจนะแล้วเขาก็จะคิดหาคนทางช่วยเพื่อนด้วยตัวเขาเองอย่างยูซุปเนี่ยนะพ่อไม่ให้เงินนะไม่เป็นไรฉันเก็บเงินฉันเองนะเด็กเาเป็นอย่างเงี้ยนะเหมือ น, นต้นไม้ที่แม่เราจะไม่มีเวลารดน้ามากนะแต่ว่าอย่าไปบั่นทอนให้เขาอ่อนแอ มีเด็กคนนะึงชื่อปูนนะอายุประมาณสักสี่ห้าขวบนะก็คงจะชั้นปอนหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามที่อรงเรีของปูนเนี่ยมีการประกาศนะเด็กคนไหนมีน้ำใจเด็กคนไหนเด็กดีก็ะจะติดดาวให้เด็กบางคนนี่ได้ดาวสามสี่ดวงเลยแต่ปูนนี่ได้แค่สองนะแม่เห็นแม่ก็เกิดความไม่สบายใจ ทำไมลูกของเราได้ดาวน้อยลูกเราเห็นกั่ตัวเหรอไปถามครูนะว่าทำไมปูนได้ดาวน้อยเขาเห็นกับตัวหรือเปล่านะเพราะว่าครูยิ้มเลยนะครูยิ้มบอกว่าจริงๆอะปูนได้ดาวมากกว่า น, นี้นะได้ดาวมาสีห้าดวงเลยแต่ว่าปูนเนี่ยเห็นเพื่อนบางคนนี่เขาไม่ได้ดาวเลยหรือเขาได้ดาวน้อย ปูนอยากช่วยเพื่อนนะก็เลยแบ่งดาวไปให้จากเดิมที่มีสีห้าดาวนี่ก็ก็เหลือแค่สองเด็กตัวเล็กๆนะเขาก็คิดว่าช่วยเพื่อนนี่เป็นวิธีการช่วยเพื่อนนะไม่ให้เพื่อนรู้สึกแย่นะแบ่งดาวให้พอแม่ได้ยินแม่ก็สบายใจว่าโอ้ปูนนี่เป็นเด็กมีน้ำใจนั่นะปูนนี่ไม่สนใจนะว่าตัวเองจะได้ดาวเท่าไหร่เพราะตัวเองก็มีความสุขอยู่แล้วที่ได้ช่วยเพื่อน จะได้ดาวมากหรือน้อยก็ก็ไม่รู้สึกอะไรนีโตขึ้นเนี่ยก็คงจะเป็นคนที่มีน้ําใจเอื้อเฟื้อผู้อื่นแต่ว่าไม่สนใจคําสรรเสริญบางคนนี่มีน้ําใจนะแต่ว่าอดไม่ได้นะที่อยากจะได้คําสรรเสริญคําชื่นชมว่าเป็นคนดีแบบนี้เนี่ยพอทําดีแล้วคนไม่เห็นนี่ทุกเลยนะทุกเพราะว่าไม่มีคนเห็นความดีของเรา หรือว่าทุกเพราะว่าไม่มีคนสรรเสริญชื่นชมสมัยนี้มันก็ลามไปถึงว่าโพสข้อความทาง Facebook หรือภาพแล้วไม่มีคนกดไลค์หรือกดน้อยเนยทุกเลยนะแต่ว่าเด็กแบบปู น, นี่เขาไม่สนใจเลยนะแค่ทำความดีช่วยเหลือเพื่อนเขาก็มีความสุขแล้วจะได้ดาวน้อยเขาก็ไม่สนใจแถมแบ่งปันดาวให้เพื่อนด้วยนะ เรื่อช่วย2ต่อเลยนะช่วยโดยการกระทานะแล้วก็ช่วยโดยการแบ่งแบ่งความดีหรือว่าแบ่งคำชื่นชมสรรเสริญให้ถ้าสมัยนี้นะก็มานับแบ่งไลฟ์ให้นะเอาไลฟ์ไปเลยนะอยากได้ไลค์เอาไลฟ์ไปเลยของฉันของฉันนี่กดมีไลค์น้อยก็ได้นะนี่รีละว่าเป็นน้ำใจนะที่จริงๆแล้วนี่มันไม่ต้องอาศัยใครสอนนะมันมีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยเพียงแต่ช่วยส่งเสริมหรืออย่างน้อยก็ป้องกันไม่ให้ความเห็นแก่ตัวเข้ามาครอบงำนะเพียงแค่ป้องกันไม่ให้เด็กเห็นแก่ตัวหรือคึกเพแต่ตัวเองนี่ก็ช่วยได้เยอะแล้วอันนี้เป็นสิ่งสาคัญนะการทําให้เด็กเนี่ยเขาคิดถึงผู้อื่นมากกว่าตัวเองหรือว่าการหล่อเลี้ยงนิสัยเนี่ยวไว้พอถ้าคิดถึงแต่ตัวเองมากเนี่ยก็จะมีความสุขได้ง่ายถ้าคิดถึงแต่ตัวเองถ้าคิดถึง คนอื่นมากเนี่ยก็จะมีความสุขได้ง่ายแต่ถ้าคิดถึงตัวเองเยอะๆเนี่ยก็จะมีความทุกข์ได้ง่ายเพราะได้เท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขอยากได้มากขึ้นอยากได้อยากเอานะไอ้จตที่คิดจะเอานี่มันทุกข์ง่ายนะจิตที่คิดจะให้นี่มีความสุขได้ง่ายกว่าแล้วนี่ก็อสิ่งที่เรานะควรส่งเสริมให้เด็กนีเยอะๆคิดถึงผู้อื่นมากกว่าตัวเอง